วัสเกตจัดงานเจดีภูเขาทองในช่วงกลางเดือนส2องของทุกปีเมื่อหนุ่มเจริญไฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับอาจารย์เลื่อนพรโสพลขณะที่หนุ่มกัญเชียงไปขอเรียนกับหนุ่มสำนวนในฐานะเป็นศิษย์วัดเดียวกันงานวัดปีนี้สองหนุ่มจะได้ออกงานเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับคุณกัญเชียง หนุ่มเจริญถามเพื่อนคนหลักนอกจากไม่ตอบแล้วเขายัางย้อนถามคุณตอบมาก่อนสิเพราะผมถามก่อนคนถามไม่ยอมก็ตื่นเต้นนะซิแต่ผมมีความหวังอยู่ในใจสองอย่างนะอย่างแรกผมจะได้มีเงินไปเที่ยวอุตรดิตกับคุณปฐมอย่างที่สองผมเออ เขารู้สึกพูดไม่ออกด้วยความเก้อเขินหนุ่มเจริญจึงพูดต่อให้คุณสายฐานจะมาดูเห็นเธอเ้าซีให้คุณประพจน์พามาดูในวันพระที่จะถึงนี้ใช่หรือเปล่าครับคนตอบรู้สึกเขินก็ลืมนางสาวมวยแห่งบางม่วงหมู่เซสนิทก็คุณสายท า, า, า, านเธอสวยน่ารักแถมยังเป็นหลานสาวคุณหลวงจะว่าไปแล้วเธอก็คือดอกฟ้า ขณะที่เขาเป็นได้แค่หมาวัดผู้คนมาออกกันแน่นที่ปากถังไม้รูปวงกลมหนุ่มสำนวนจะแสดงเป็นคนแรกตามด้วยหนุ่มกันเชียงส่วนหนุ่มเจริญจะเป็นคนสุดท้ายที่หนุ่มน้อยต้องขอเป็นคนสุดท้ายเพราะถือคติหัวเราะทีหลังดังกว่าแต่เหตุผลที่อยู่ลึกๆในหัวใจก็คือกลัวตก เพราะนั่นหมายถึงความตายหนุ่มสำนวนขับรถเครื่องชวดเฉวียนแต่ถังไม้วนเวียนอยู่สามสี่รอบสาวน้อยที่ซ้อนท้ายทาปากแดงแจ๋นุ่งกางเกงขาสั้นจุดจุจนเห็นรอยเนื้อแตกเป็นริ้วๆที่โคนขาหล่อนโปรยยิ้มให้กับคนดูมือข้างหนึ่งกอดเอวหนุ่มสำนวนอีกข้างโบกให้ผู้ชม เมื่อรถเครื่องค่อยๆแล่นวนมาจอดกลางพื้นวงกลมเบื้องล่างเสาน้อยอุตส่าห์เงยหน้าขึ้นไปโบกไม้โบกมือพร้อมส่งยิ้มให้กับคนดูซึ่งพากันตบมือเกลียวกราวรอบต่อไปเป็นของหนุ่มกันเชียงครั้งนี้ไม่มีคนซ้อนท้ายเพราะคนขับเป็นมือใหม่สาวน้อยจึงไม่กล้าเสี่ยงหนุ่มกันเชียงตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ ที่หนุ่มจำนวนจอดไว้กลางวงหนุ่มจเจริญมองอย่างหวาดหวาดคิดว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงรอบของตนแต่แล้วหนุ่มน้อยก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเงาของหนุ่มกันเทียงไม่มีศรีรษะคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปจึงยกมือข้างหนึ่งขึ้นขยี้ตากระนั้นภาพที่ปรากฏก็ยังเหมือนเดิมคือเขามองไม่เห็นเงาหัวของเพื่อนรัก กำลังช่างใจว่าจะบอกเพื่อนดีหรือไม่ก็พอดีกับหนุ่มกันเชียงขึ้นนั่งโครอมมอเตอร์ไซค์เสียงโคศกประกาศแจ้วแจ้วแนะนําหนุ่มน้อยหน้าใหม่หนุ่มกันเชียงสตาร์ทเครื่องโดยใช้เท้าขวากระทืบคันสตาร์ทอย่างแรงบังเอิญหนุ่มสำนวนลืมปลดเกียร์ว่างทันทีที่เครื่องติดรถมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งทะยานขึ้นชนถังไม้เสียงดังสนัน่น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 ยกรถออกแล้วจิงช้อนร่างของเพื่อนขึ้นศีรษะหนุ่มกันเชียงห้อยไปพาดอยู่ที่ไหล่ตัวเองหนุ่มเจริญรู้เดียวนั้นว่าเพื่อนของตนคอหักตายแล้วเขาก็หมดความอดทนอดกลั้นชี้หน้าหนุ่มสำนวนซึ่งยืนตัวสั่น ง, งินงกหน้าซีดเป็นไก่ต้มคุณข่าเพื่อนผมคุณฆ่าเพื่อนผม พูดพลางร้องไห้อย่างไม่อายใครก็ oh, เอ็งอย่าทิ้งข้าไปนะอย่าทิ้งข้าไปเขาคร่ำครวญพลางกอดร่างไร้วิญญาณไว้แนบอกน้ำตาไหลพรากพรากราวทำนกพังก็ oh, เรามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันข้าจะดูหน้าคนบางมุ่งหูได้ยังไงหากไม่มีเอ็งกลับด้วยพวกเขาจะต้องคิดว่าข้าพาเอ็งมาตาย พ อ, อกับแม่เองจะพากันโกรธเคืองค่ะเองต้องไม่ตายนะโกดนะหนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เพื่อนรักต้องมาตายเพราะเขาก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอาจารย์เลื่อนบอกเขาให้แสดงต่อจากหนุ่มสำนวนแต่เขาขอเป็นคนสุดท้ายหนุ่มกันเทียงจึงต้องมามีอันตายแทนผมจะฟ้องคุณ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 ว่าที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยว่าเหตุเกิดเพราะความเล่นเลิกของหนุ่มสํานวนแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของจึงจําเป็นต้องรับผิดชอบทั้งหมดเขาเริ่มเบื่อหน่ายงานอาชีพที่เสี่ยงกับความเป็นความตายคุณงามเนตรผู้เป็นภัญญาเคยขอร้องให้เขาเลิกอาชีพนี้ไปทํามาหากินอย่างอื่นแต่เขาดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟัง จึงต้องมาพบกับความหายนะตัดสินใจเด็ดขาดและว่าจะเลิกเลิกซะวันนี้เลยอาจารย์เลื่อนสั่งให้โคศกประกาศของดการแสดงอย่างกระทานหันด้วยว่ามีคนตายหากคนดูที่ซื้อตั๋วแล้วอยากจะได้เงินคืนก็ให้นำตั๋วมาขอขึ้นเงินหรือถ้าใครไม่ต้องการเงินคืนก็ขอให้นึกซะว่าช่วยทำบุญให้ผู้ตายบรรดาผู้คนที่ซื้อตัว๋ว รอดูรอบต่อไปครั้นได้ยินประกาศของโคศกต่างพากันสงสารนักแสดงหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นไม่มีผู้ใดมาขอเงินคืนแม้แต่รายเดียวหนุ่มเจริญกโกรธแค้นหนุ่มสำนวนมากที่ทําให้เพื่อนของตนต้องเสียชีวิตจึงคิดที่จะฟ้องร้องฝ่ายนั้นให้ถึงที่สุดแต่ก็รู้ว่าหากทําอย่างที่คิดก็จะต้องกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันต่อไปถึงอย่างไร เพื่อนรักก็คงไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องหรือไม่พลันก็นึกถึงคำพูดของลุงหมันแท้ตั้งหมอจีนผู้ใจดีที่พร่ำสอนเข้ามาตลอดทางขณะพายเรือมาส่งที่บ้านอติลุงจะสอนลือไว้ว่าอย่าได้ไปมีเรื่องกับใครเขามันเสียเวลาทำมาหากินยิ่งทำงเรื่องถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลามาก คนจีนเขาถือนะเขาบอกถ้าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้กินขี้หมายัางจะดีเสกว่ามาบัดนี้เขาเริ่มจะเห็นด้วยกับลุงหมันกว่าหนุ่มสำนวนจะเข้าคุกคงต้องใช้เวลานานแล้วก็คงหมดเงินไปกับพวกหากินตามตีนโรงตีนศาลกระนั้นก็ใช่ว่าเพื่อนเขาจะฟื้นคืนชีพมาก็หาไม่ทางที่ดีควรจะเจรจาหาทางประนีประนอมกับฝ่ายนั้น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 เดินทางมาถึงเสก่อนท่านได้มีหนังสือไปสามฉบับถึงสมภารวัดสัธาพิรมทิดพองและนายลานให้สมภารช่วยเทศปลอบใจบิดาในกันเชียงให้ทิดพองพานายลานกับนางบัวไขมางานเผาศพและแจ้งสาเหตุการตายของนายกันเชียงให้สองผเมียรับรู้นายลานกับนางบัวไขโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักที่ลูกชายคนโตมาตายจาก พากันร้องห่มร้องไห้ไปหาท่านสมภารวัดสถาพิรมและท่านก็เทศปลอบใจด้วยได้รับหนังสือจากพระมหาแพ้วก่อนหน้าที่สองผูเมตรจะมาถึงอาตมารู้แล้วว่าเขาจะต้องไปตายที่บางกอกวันที่เขาเอาอาหารเพนมาถวายอาตมามองไม่เห็นศรีรษะเขา ท่านสมพานนึกถึงวันที่หนุ่มน้อยมาลาหิ้วปิ่นโตใส่อาหารมาถวายด้วยแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ทัดทานมันไว้ละ่ะปล่อยลูกฉันไปทำไมนั่งบัวไขต่ตว่าต่อขานพลางสะอื้นฮักฮักถ้าอาตมาทัดทานก็จะเชื่อหรืออีกอย่างอาตมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะมาพิสูจน์ให้เขาเห็น ก็ได้แต่แนะนาให้เขาหมั่นไหวพระสวดมนต์เรื่องของกรรมมันห้ามกันไม่ได้หรอกโยมท่านสมพานพูดตามความเป็นจริงถ้ามันไม่ไปเรือนที่บางกอกมันจะตายไหมครับหลวงพอ่อนายลานถามบ้างไปหรือไม่ไปก็ต้องตายเขาหมดอายุแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตาย ท่านสมพานตอบที่หมดอายุเพราะมันฆ่าไก่ในวันเดินทางใช่ไหมครับเป็นเพราะนางเมียผมมันโง่ใช้ให้ลูกฆ่าไก่หาเรื่องกับพระไม่ได้ในลานหันมาหาเรื่องกับเมียท่านสมพานจึงพูดไกลีเกลี่ยว่าโยมจะมาฟื้นฟอยหาตะเข็บอยู่ทำไมเล่ารีบไปคิดกันว่า จะเดินทางไปเผาศพลูกยังไงเมื่อไรไม่ใช่มานั่งหาเรื่องกันอย่างนี้ผมไม่มีเงินเลยครับหลวงพ่อคงต้องขอยืมทิ์พองแล้วก็คงจะไปคนเดียวนางโบ๋ไข่ต้องอยู่ดูแลลูกทางนี้อีกอย่างหนึง่งจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขามากไปสองคนก็เปลืองค่ารถค่าเรือแล้วโยมไปถูกหรือ เขาว่าบางกอกไม่เหมือนบ้านเรานะท่านสมพาร์เป็นห่วงผมก็ว่าจะขอให้ทิดพองเขาพาไปไม่รู้ว่าจะต้องออกค่าเรือให้เขาด้วยหรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าไปเยี่ยมเจ้าแกะด้วยก็คงไม่มาคิดเงินกับผมโยมพองเขาเป็นคนมีเมตตานะคงไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างที่โยมวิตตกหรอก อาตมาว่าเขาจะออกให้โยมด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าก็ดีหรอกผมจะได้ไม่ต้องกลับมาใช้หนี้เขาคนคิดเอาแต่ได้ว่าอย่างนี้จริงดังที่ท่านสมพานพูดไว้ทิศพงได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหนุ่มกันเชียงเป็นอย่างดีเพราะนอกจากได้รับหนังสือจากพระมหาพ่วแล้ว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 ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขากำลังดำเนินไปด้วยดีก็ต้องมามีอันพลัดพรากน้องสาวจากไปไม่ทันถึงปีคนรักก็ต้องมาจากไปเสอีกช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้โชคร้ายเหลือเกินหนุ่มเจริญซื้อโกรทองเหลืองให้ในายลานใส่กระดูกลูกชายกลับไปบ้านทิดพองชวนเพื่อนบ้านให้อยู่ต่ออีกสองคืนเพื่อเที่ยวบางกอก บิดาหนุ่มกัญเชียงซึ่งได้เงินช่วยงานถึงห้าช่างจึงไม่ขัดห้องเขาซื้อของไปฝากลูกเมียหมดเงินไปหนึ่งช่างกระนั้นก็ยังเหลือเงินอีกสี่ช่างเพราะค่ากินอยู่และค่าเรือทิศพองเป็นคนออกให้ทั้งหมดวันเดินทางกลับในลานจึงดูสดชื่นขึ้นเพราะนอกจากจะมีของฝากลูกเมียแล้วยังมีเงินถึงสี่ช่าง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 คงจะมีผลดีมาถึงลูกและพ่อแม่ที่จิตใจร้ายก็คงจะมีผลร้ายมาถึงลูกเช่นกันนายลานมีจิตอกุศลหนุ่มกัญเชียงจึงต้องมามีอันเป็นไปกำลังคิดอะไรอยู่ทิ์พองทักนายลานสะดุง้งย้อนถามว่าแกว่าอะไรนะข้าถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่ท่าทางมีความสุขเชียวทิ์พองเยา้า พอจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เพื่อนบ้านมีอาการดังที่เห็นคนที่ลูกตายไปหยกๆจะมีความสุขได้อย่างไงสามีนางโบไขพูดกลบเกลื่อนแล้วแซงตีหน้าเศร้าแต่แกก็ได้เงินช่วยมากโขเห็นซื้อข้าวซื้อของมากมายแล้วมันคุ้มกับชีวิตลูกข่าหรือเปล่าล่ะนายลานแซงทำฉุนเฉียวกลัวว่า ทิดพองจะให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายรู้แล้วว่าไม่ค้มแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่หรือบางคนเขาเสียลูกแล้วยังต้องเสียเงินค่าทําศพอีกแต่นี่แกไม่ต้องเสียอะไรกลับได้มาตั้งมากมายที่ข้าพูดมานี่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมาขอส่วนแบ่งจะแกหรอกนะแต่อยากให้แกสบายใจข้าไม่ใช่คนเอาเปรียบคน คิดพองพูดได้รู้ว่าถูกนายลานเอาเปรียบนี่ถ้าเป็นแม่ยายของเขานายลานคงไม่มีโอกาสทำแบบนี้เพราะคนชื่อจ่างแห่งบางม่วงหมู่ไม่ยอมให้ใครอารัฐเอาเปรียบขณะเดียวกันก็ไม่เคยเอาเปรียบใครคนที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวอย่างแม่ยายของเขาคงหาได้ยากในโลก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 อาจารย์เลื่อนต้องเลิกกิจการและหนุ่มเจริญก็เลิกฝันที่จะเป็นแชมป์รถไต่ถังตั้งแต่บัดนั้นคุณปู่ครับผมอยากเรียนดิบสีตีเป่านอกจากครูจำนงแล้วคุณปู่รู้จักครูเก่งๆอีกไหมครับหนุ่มน้อยปลารอกับผู้เป็นปู่เป็นการปรากรอที่หลวงทาราชื่นอกชื่นใจนะักเพราะท่านคิดอยู่ว่า จะให้หลานกลับมาเรียนดนตรีไทยอย่างมิทันที่คุณหลวงจะตอบว่ากระไรคนเป็นหลานก็ถามขึ้นอีกผมจะขอเรียนกับคุณปู่ได้ไหมครับคราวนี้คุณหลวงรีปฏิเสธทันทีไม่ได้หลอกหลานไม่ได้อย่าให้ปู่สอนเลยทาไมหรือครับคุณปู่เคยบอกผมว่าแก่แล้วมือไม้สัน่น แต่ผมก็เห็นคุณปู่เล่นได้โดยเฉพาะเวลาตีระนาดผมยังไม่เคยเห็นใครตีได้ไพเราะเท่าคุณปู่เลยเขาพูดเอาใจคุณหลวงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นด้วยโปมีเหตุผลส่วนตัวนะจะบอกพอดเจริญก็ได้คือปูไม่อยากให้มีตัวตายตัวแทนถ้าปูสอนให้พอดเจริญก็หมายความว่ามีตัวแทนแล้ว ถึงปู่จะตายก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ทีนี้ปู่ยังไม่อยากตายนะสิแม่อายุอย่างเข้าปีที่เกสสองแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปอยากอยู่ให้ถึง100ร้อยปีหรือกว่านั้นนี่คือเหตุผลที่ปู่ไม่ยอมสอนผดเจริญหวังว่าคงเข้าใจที่ปู่พูดนะ ผมเข้าใจครับต้องกราบขออภัยที่แซาซีคุณปูเขากราบลงที่ตักหลวงทาราหนึ่งครั้งไม่เป็นไรดอกหลานแต่ปูคิดว่าจะหาครูให้พอดเจริญได้เขาคิดข่าเรียนแพงสักหน่อยแต่ทารานตั้งใจเรียนปูก็ว่าคุ้มนะเขาคิดเท่าไรครับคุณปู คิดเดือนละหนึ่งช่างแพงมากหนึ่งช่างหนุ่มน้อยทําตาโตด้วยราคาค่าเรียนนั้นแพงกว่าของครูจำานงถึงสิบเท่าใช่แล้วถ้าล้านอยากเรียนจริงๆปูก็จะส่งเรียนเงินทองปูมีเยอะแยะก็ให้ตั้งใจเรียนก่อแล้วกัน หลวงธาราพูดอย่างปราณีขอบพระคุณคุณปู่มากครับหนุ่มน้อยกราบผู้เป็นปู่อีกครั้งแต่บ้านเขาอยู่ไกลนะอยู่พญาไทยโน่นนะถ้าล้านไป เ, เรียนจะต้องไปอยู่บ้านเขาต้องหุงหากินเองกงไม่สบายมั่นอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับ ผมเคยลำบากมาตั้งแต่เล็กๆแค่นี้ผมทนได้แล้วผมจะมาโรงเรียนยังไงครับก่อนั่งรถรางมาหรือไม่ก็รถเมข้าวนายเลิศเรื่องนั้นไม่ลำบากอะไรเลยถ้าเช่นนั้นผมขอไปเรียนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับเขาดีใจที่จะได้ไปจากบ้านนี้ตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านเขารู้สึกอึดอัดขัดข้อง จนไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่กระมังที่คนโบราณท่านว่าขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเอาอย่างนั้นเลยหรอรอให้ปูไปทาบทามเขาก่อนดีกว่าเอาละ่ะปูรับรองว่าจะจัดการให้เร็วที่สุดตรุ่งนี้จะให้พอเปี่ยมเขาไปติดต่อให้เรียบร้อยเมื่อไร